รู้ทันในชีวิตประจําวันรู้เท่าทันสิ่งที่กําลังคิดถ้าจะดับสนิททําท่าจะคิดต้องรู้ทันพอทําท่าจะคิดรู้ทันจบนี่คือตัวดับสนิททั้งเกิดทั้งดับอยู่ณจุดเดียวกันเราจะเห็นว่ามันเปล่าๆไม่มีอะไรปนเพราะมันไม่มีวงจรอื่นเข้ามาพอทําท่าจะคิดรู้ทัน พอมันทำท่าจะก่อมวลสังขารรู้ทันสังขารทั้งหลายก็สลายก็ดับแต่ในชีวิตคนก็ต้องปรุงอยู่ น, น้อยแต่ไม่ทุกหรือดาเนินชีวิตอย่างทุกน้อยแต่ช่วงไหนที่ต้องการดับสนิทเราก็ไม่ปล่อยให้มันทำท่าจะก่อขึ้นมาเลยพอมันทำท่าจะก่อทำท่าจะคิดเรารู้ทันถ้าเราไม่ฝึกให้ดับสนิท ถ้าเราไม่ฝึกให้ดับสนิทเราอาจหลงได้แทนที่จะเร็วมันอาจช้าเพราะในชีวิตคนมันต้องปรุงแล้วเราจะเข้าสู่ความดับสนิทความว่างเปล่าจริงๆอย่างไรเราซ้อมดับสนิททุกวันในชีวิตประจําวันจะคิดก็คิดไปพออีกจังหวะหนึ่งพอทําท่าจะคิดก็รู้ทันจบตรงนี้ก็ต้องทําให้ชํานาญ ให้ชำนาญทั้งคู่พอจะคิดคิดไปปล่อยให้กระบวนการดำเนินแต่พอทำท่าจะคิดรู้ทันกระบวนการของจิตไม่มีทดลองซ้อมดูแล้วจะเข้าใจคิดไปแล้วรู้ทันทำท่าจะคิดแล้วรู้ทันซ้อมดูแล้วจะเห็นมุมต่างคิดไปเป็นการเรียนรู้วงจรจะเรียกทุกข์ไม่ทุกอย่างสรุปไม่ได้ เป็นการเรียนรู้วงจรเรียนรู้การจำแนกธรรมเรียนรู้สภาวะธรรมต่างๆของวงจรขันห้าถ้าทำท่าจะคิดแล้วรู้ทันมันดับหมดแล้วเราจะไปเรียนรู้จากอะไรเราอยู่ในอัปปนาสมาธิตลอดเวลาเป็นภาวะจิตที่ตั้งมั่นไม่มีทุกข์คิดแล้วรู้ทันอยู่ที่คณิกสมาธิ เพื่อเรียนรู้วงจรของจิตเรียนรู้ลักษณะของจิตเรียนรู้พฤติกรรมของจิตตรงนี้เพื่อให้เข้าใจว่าถ้าทำอย่างนี้ดับสนิทเต็มร้อยถ้าทำอย่างนี้คือไม่เต็มร้อยว่างเหมือนกันแต่ไม่เต็มร้อยเหมือนกับว่าไม่ยอมให้เกิดกับยอมให้เกิดจะอยู่อย่างมีก็ได้ จะอยู่อย่างไม่มีก็ได้ตามที่เราต้องการเหตุปัจจัยที่ต้องมีก็มีเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยก็มาอยู่กับความไม่มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ถือสาทำใจอย่างไรไม่ให้ถือสาคุณต้องยอมรับความจริงสมมุติว่าเห็นคนไม่ดีคุณก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนไม่ดีจบแล้วก็จบไม่ต้องไปมีเงื่อนไขว่าทําไมเขาไม่ดีอย่างนี้ที่ยอมรับอย่างนั้นเพื่อให้ใจเราสบายเพื่อแก้ปัญหาใจเราไม่ใช่ไปแก้ที่เขา เราไปแก้ให้เขาไม่ได้หรอกเขาต้องแก้ของเขาเองเราทําได้แค่ให้คําแนะนําเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ผมเขียนไม่ถือสาไม่ให้ค่าพวกนี้เพื่อแก้ปัญหาเราไม่ให้ใจมีปัญหากับเขาไม่เช่นนั้นใจเราก็จะมีปัญหาอยู่กับเขาไม่เลิกไปมีเงื่อนไขทําใจทําไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ กลายเป็นจบไม่เป็นจบไม่เป็นเพราะเราถือสาเราให้ค่าถ้าเราให้ค่าอะไรสิ่งนั้นก็จะมีค่าอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ให้ค่าสิ่งนั้นก็จะไม่มีค่าอยู่ในใจเราเลยคือเราไม่เอาสิ่งนั้นเรื่องนั้นคนนั้นเข้ามาคิดปรงแต่งอยู่ในใจของเรา ปัจจุบันธรรมเห็นณปัจจุบันเห็นอย่างไรที่เป็นปัจจุบันธรรมพอคิดแวบเห็นคิดแวบรู้ทันตรงนี้คือปัจจุบันธรรมคือเห็นทุกเห็นจิตคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์พอรู้ทันมันหายไปจบพอรู้ทันมันหายไปใจว่างเปล่าถ้าทําอยู่ตรงนี้วงจรขันห้าถูกตัด คำว่าจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลุดพ้นจากขณะจิตนั้นขณะจิตที่เกิดขึ้นมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าปัจจุบันมาจากอดีตแล้วปัจจุบันก็จะส่งผลต่อไปอนาคตมันเชื่อมโยง สิ่งที่เราหยิบเอามาคิดทั้งหมดมันคืออดีตคือความจำไม่ใช่อนาคตมันเอาอดีตทั้งนั้นมาคิดใหม่มันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เราเรียนรู้ได้แต่ปัจจุบันอดีตเราเรียนรู้ไม่ได้อนาคตเราก็เรียนรู้ไม่ได้ในกระบวนการฝ่ายนามธรรมยากที่จะเข้าใจส่วนที่เป็นรูปธรรม พอเข้าใจได้เอ๊ะเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนั้นเอ๊ะเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนี้ก็คือกระบวนการปรุงแต่งและเราก็หลุดจากกระบวนการปรุงแต่งนี้ไม่ได้บางทีเราไม่ได้ปรุงหรอกแต่จิตภายในปรุงแต่งโดยเอาความจําเก่าๆมาปรุงใหม่เราจับประเด็นได้ที่ปัจจุบันเท่านั้นการแก้ไขก็แก้ไขที่ปัจจุบัน แก้ที่อดีตไม่ได้หรือจะไปแก้ที่อนาคตก็ไม่ได้อีกรู้เท่าทันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันพอเกิดแล้วดับแล้วกลายเป็นความจำแล้วจำตั้งแต่ศตวรรษไหนอีกไม่รู้ตัวความจำก็เป็นธาตุฝ่ายนามธรรมานามธาตุาชนิดหนึ่งเป็นธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทำงานร่วมวงกัน ดูในกระบวนการขันห้าแค่วงจรสามวงคือความคิดไปเอาความจำมาคิดใหม่ให้เกิดอารมณ์ใหม่พอจำไว้มันจะหยิบเอาที่จาไว้มาคิดใหม่ให้เกิดอารมณ์ใหม่เราก็ออกจากวังวนตรงนี้ไม่ได้เลยเดินเป็นวงกลมในสามวงนี้ ว, นวันวันวนอยู่ตรงนี้เอาความจำเก่ามาคิดใหม่ให้เกิดอารมณ์แล้วก็จำไว้แล้วจิต ตัวความคิดไะหยิบตัวที่จําไว้มาคิดใหม่ให้เกิดอารมณ์ใหม่วนเป็นวงใหญ่อยู่เรื่อยแล้วเราก็ออกจากวงจรทุก์ไม่ได้ชีวิตของเราทั้งหมดไม่พ้นวงจรขันห้าไปได้หรอกความรู้สึกความจาความคิดอารมณ์วนอยู่ในวงจรนี้เราทำได้แค่มีสติรู้ทันเท่านั้นเองพอรู้ทันมันหายไป ใจว่างเปล่าปราศจากทุกข์ตัวรู้ทันตัวเดียวเท่านั้นที่จะตัดวงจรนี้ได้ว่างเปล่าจากทุกขว่างเปล่าจากปัญหาทางใจคู่นอกคู่ใน ทุกถ้าแยกคู่ให้ชัดคือทุกทางกายคู่หนึ่งทุกทางใจคู่หนึ่งหรือกายกับเวทนาทางใจนั้นคู่หนึ่งคือคู่นอกความนึกคิดกับอาการทางจิตนั้นอีกคู่หนึ่งคือคู่ในและสองคู่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันคือคู่ในเป็นเหตุให้เกิดคู่นอก ผู้นอกเป็นเหตุให้เกิดคู่ไหนตัวอย่างพอตาเห็นปุ๊บคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ผู้ในมาแล้วทาา่าขาดสติพอหูได้ยินคิดทันทีคู้ในมาแล้วตัวชีวิตประกอบด้วยกายกับจิตจิตจะเกิดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจิตประสาทต้องอาศัยประสาทกายเกิดถึงเป็นตัวชีวิต กายกับความรู้สึกรับรู้ทางกายนี่คู่หนึ่งคือกายอย่างเดียวไม่มีชีวิตต้องมีความรู้สึกรับรู้ด้วยถึงเป็นตัวชีวิตกายกับความรู้สึกทางกายนั้นเป็นตัวชีวิตคู่หนึ่งตากับความรู้สึกเห็นนั้นเป็นตัวชีวิตคู่หนึ่งหูกับความรู้สึกได้ยินนั้นเป็นตัวชีวิตอีกคู่หนึ่งจมูกกับความรู้สึกรับรู้กลิ่นนั้นอีกคู่หนึ่งนี่คือคู่นอก อวิชชาหรือขาดสติทําให้ความนึกคิดปรุงแต่งเกิดพอความนึกคิดเกิดทําให้อารมณ์เกิดนี่คือคู่ในเกิดอยู่ภายในแล้วส่งผลมาสู่คู่นอกส่งผลมาสู่กายและความรู้สึกทางกายเช่นเวลาคิดแล้วเครียดเครียดคืออาการทางใจแล้วส่งผลมาสู่คู่นอกทําให้กายออกอาการ ใจสั่นปวดศีรษะปวดท้องท้องเสียนอนไม่หลับแล้วคู่นอกเป็นเหตุให้เกิดคู่ในกังวลใจกลัวเป็นต้นจะเห็นว่าคู่นอกคู่ในวิ่งสลับไปสลับมาประโยชน์ของการแยกคู่นอกคู่ในเพื่อจะปล่อยวางทุกกายทุกใจเมื่อคู่ในเกิดเราจะวางอย่างไร เมื่อคู่นอกเกิดเราจะวางอย่างไรถึงจะไม่ให้คู่ในเกิดด้วยคือเราจะทำอย่างไรไม่ให้คู่นอกกับคู่ในปนกันเช่นพอตาเห็นเริ่มคิดแล้วก็รู้ทันความคิดพอหูได้ยินนี่คู่นอกพอเริ่มคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ถ้าขาดสติคู่ในมาแล้วฉะนั้นระวังความคิด กระดูกหักเจ็บจะทำอย่างไรเจ็บก็รู้ว่าเจ็บตามความเป็นจริงแต่ใจคิดทุกซ้อนเข้าไปไหมจะรักษาก็รักษากันไปแต่ใจไปปรุงแต่งให้ทุกข์ให้เกิดอารมณ์ร่วมขึ้นมาอีกไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง สุดท้ายเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าไม่ได้มีคือจบแล้วจบเลยคือจบลงแค่วงจรเดียวไม่มีวงจรที่สองวงจรที่สามตัวอย่างเมื่อเกิดอารมณ์เสียก็จบลงแค่อารมณ์เสียอย่ามีวงจรต่อไป ไม่ใช่ว่าพอเกิดอารมณ์เสียปุ๊บไปคิดว่าไม่น่าเกิดอารมณ์เสียไปอีกวงจรหนึ่งแล้วไม่น่าโง่นี่ก็อีกวงจรหนึ่งแล้วไม่น่าขาดสตินี่ก็อีกวงจรหนึ่งไปเรื่อยพอไปคิดต่อก็สร้างวงจรใหม่อย่างนี้เรียกว่าจบไม่เป็นจบไม่ลงพอคิดใหม่ก็เกิดวงจรใหม่ฉะนั้นจบให้สนิทจริงๆ ดูซิว่าเบากายเบาใจไหมคาตอบอยู่ตรงนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่มีจริงๆไหมถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อไม่เห็นวงจรแรกวงจรที่สองก็ยังมีคือชาติต่อไปก็ยังมีเหมือนการเกิดของทุกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งหน้าไม่ได้มีการเกิดของทุกขข้งหน้าไม่ได้มี ไม่มีเหลือเยื่อใยเป็นวงต่อไปดับสนิทไม่มีส่วนเหลือให้มีเยื่อใหยวงต่อไปมันจบถ้าเราจะต่อเราเป็นผู้ต่อเองแล้วไม่ใช่ทําอย่างขาดสติแล้วนะเรียกว่าเป็นผู้ทําเกิดและเป็นผู้ทําดับเองไม่ได้ทําตามเรื่องตามราวเราเป็นผู้ตัดและเราก็เป็นผู้ต่อเรามีสติเข้ามาควบคุมกํากับแล้ว ตัวอย่างพอทำได้แล้วดีใจดีใจเป็นวงที่สองแล้วพอทำไม่ได้แล้วก็เครียดเครียดก็เป็นวงที่สองแล้ว ไม่เห็นก็ไม่ต้องไปหาอารมณ์อะไรมาก็ได้แต่พอรู้ทันเปลี่ยนไม่ใช่ไปบังคับอันนี้ไม่ต้องมาเช่นกระพริบตาพอหายไปก็คือจบถ้าพยายามไปจับความคิดก็จะพาหมกมุ่นไม่เห็นก็ไม่ต้องหาถ้าเข้าไปหาเมื่อไรคือหมกมุ่นหมกมุ่นเมื่อไรล่าเข้าไปหาสมถะ ล่าเข้าไปหาจิตจดจอ่อพอสบายก็กลัวว่ามันจะหายนี่คือสมุทัยตัวจริงเลยรู้ทนอย่างเดียวรู้ทันแล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นทำอยู่แค่นี้เองไม่เห็นไม่ต้องไปหาเอาเฉพาะที่เห็นคิดหาเมื่อไหร่นั่นคือหมกมุ่นทำอย่างสนุกสนานไม่ใช่ตั้งท่าเป็นจริงเป็นจังแพ้ก็ยิ้มชนะก็ยิ้มทำให้สนุก เรียกว่าร่าเริงในธรรมมันละเอียดแต่ละคนต้องจับทิศของตัวเองต้องจับพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ไม่มีใครจับให้ได้ตัวเองต้องช่างสังเกตของตัวเองและต้องสังเกตอย่างสบายๆอย่าหมกมุ่นจิตมันพร้อมที่จะพาให้เราหลงกลอยู่ตลอดเวลามันหลอกทั้งโลกมันคือธรรมชาติที่ครอบงาสรรพสัตว์ เป็นหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคือฝึกสติรู้ทันพอเรารู้ทันคิดชัดๆมันก็เกิดคิดแผ่วๆถ้าไม่สังเกตเกือบจะไม่รู้เลยว่ามันคิดตัวแผ่วๆเราไม่รู้ทันปล่อยเข้าไปสั่งสมเข้าไปกว่าจะรู้ก็ออกอาการแล้ว ฝึกนักมวยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ต้องรู้ทันความคิดที่อยากจะทำให้ความคิดหายไปเป็นตัวทำให้ผิดพลาดได้เลยไปทำทุกวิถีทางให้มันหายไปบังคับบ้างกดข่มบ้างการกระพริบตาเป็นตัวเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลย บางทีเราจะไปบังคับให้มันไม่เกิดโดยไม่รู้สึกตัวก็มีโดยไปทำใจนิ่งๆไว้เมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจากทุกข์พอมันหายไปเหมือนกับเราไม่ได้ทำอะไรมาเลยก็จบเราชอบเอียงไปอย่างนี้สบายดีแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน จิตคนทุกคนชอบเสพสบายนี่เป็นเกมกลอนอันลึกซึ้งพอสบายแล้วไม่อยากเปลี่ยนไปไหนอยู่ตรงนี้ก็เลยติดกับพอดีจริงๆตัวรู้ทันไม่ได้ปนความอยากเราไม่ได้ทำในลักษณะให้มันหายไปเราแค่ฝึกตัวรู้ทันเหมือนกับเป็นการต่อสู้สองฝ่ายระหว่างฝ่ายสังขารหรือฝ่ายทุกข์กับสมุทยฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายสติกับปัญญาฝ่ายหนึ่งสองฝ่ายนี้ไม่มีเราอยู่เลยแต่เราฝึกตัวสติปัญญาให้แก่กล้าเพื่อสู้กับฝ่ายทุกข์กับสมุทยัยเหมือนเป็นเจ้าของค่ายมวยฝึกนักมวยให้ดีไม่ใช่ต้องขึ้นไปต่อยเองเจ้าของค่ายขึ้นต่อยเองเมื่อไรความอยากล้ำหน้าหน้าที่เราคือฝึกนักมวยหรือฝึกสติให้แก่กล้า ฝึกตัวรู้ทันให้กล้าแข่งให้เก่งขึ้นเท่านั้นแต่เราไม่ทันใจเราจะขึ้นไปชกเสเองฝ่ายทุกขและสมุทรไทยมีโดยธรรมชาติไม่ต้องไปฝึกมันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานั่นคือทุกข์เกิดขึ้นออกมาทางวาจานั่นคือทุกข์ออกมาทางพฤติกรรมทางกายนั่นคือทุกข์ทุกมีสมุทรไทยเป็นเหตุ ถ้าพูดเป็นวิชาการก็มีสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มตายสังขารปรุงแต่งให้เกิดกิริยาต่างๆทางกายที่เป็นทุกข์สองกลุ่มวจีสังขารปรุงแต่งให้เกิดคำพูดต่างๆที่เป็นทุกข์สกลุ่มโมโนโ ส, สังขารจิตสังขารปรุงแต่งให้เกิดความคิดต่างๆที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากสังขารสามกลุ่มนี้ ให้ละสังขารปล่อยวางสังขารเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตรงไหนทำตรงนั้นบางครั้งเราเห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุแ <workplace> ห่งทุกข์ หรือสมุทยบางครั้งเห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่เห็นทุกข์บางครั้งก็เห็นทั้งคู่บางครั้งมันเร็วจนเราไม่เห็นฉะนั้นเห็นตรงไหนก็ทาตรงนั้นที่ผมบอกไม่เห็นก็ไม่ต้องไปหาคืออย่างนี้เราอยากจะเห็นทั้งคู่ให้ได้ก็เลยมั่วทุกเกิดก็รู้เท่าทันทุก สมุททยเกิดก็รู้เท่าทันสมุททยบางครั้งมันเร็วมากจนเราไม่เห็นถ้าไปมัวหาก็หมกมุ่นถ้าทำเช่นนั้นทำอย่างง่ายๆพอรู้ทันมันหายไปไม่ว่าทุกหรือสมุททยก็คือจบเราจะได้ไม่หมกมุ่นถ้าไปหาก็เสร็จหาคืออะไรก็คือลึกหาคิดหากลายเป็นไม่จบจริงๆมันจบไปแล้วแต่เราไม่จบ เราสร้างขึ้นมาใหม่อีกโดยภาษาเขาบอกให้ดับที่สมุทรไทยแต่จริงๆสมุทรไทยบางขณะก็เห็นไม่ได้จริงๆเหมือนกันแต่ทุกนั้นเห็นได้ถ้าเฉ่นนั้นตัวไหนเกิดก่อนก็ดับตัวนั้นก่อนรู้ทันตัวนั้นก่อนตัวที่ยังไม่เห็นก็ยังไม่ต้องหาหาเมื่อไหร่ก็คิดเมื่อนั้นคือทําให้ปัญหาใจน้อยที่สุดและสั้นที่สุดเร็วที่สุด เมื่อเริ่มเห็นทุกเห็นสมุทยัยใจก็เริ่มคลายจากทุกขเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นใจก็ชำนาญขึ้นจนกระทั่งทุกทําอะไรใจไม่ได้คือภาวะที่เรียกว่านิโรธตอนแรกทุกก็เริ่มจางคลายทําแล้วทําอีกจนทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้นจากจางคลายแล้วกลายเป็นหายไปพูดให้ชัดคือ เห็นทุกเห็นสมุทไทยอย่างแจ่มแจ้งก็เป็นนิโรธตอนแรกเริ่มจางพลายคือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างต่อมามันหายไปอะไรหายไปทุกนั่นเองที่หายไป หรือไม่รู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหลายๆอย่างอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามจนทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจเหตุก็คือความไม่รู้ในเรื่องของทุกข์หรือที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ในเรื่องของทุกข์ ในเรื่องต้นเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ในเรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์หรือทุกข์คล้ายไปจากใจในวิธีการที่จะปฏิบัติตนฝึกฝนตนเพื่อออกจากทุกข์อวิชชาเกิดตอนไหนอวิชชาเกิดตอนขาดสติไม่ใช่ตั้งอยู่ตลอดเวลาต้องเกิดตอนขาดสติเมื่อสติมาอาวิชชาก็เป็นวิชา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจุบันหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่แบบเที่ยงเป็นปัจจุบันตามเหตุตามปัจจัยและที่อธิบายว่าอาวิชชาตั้งอยู่ตลอดการนั้นก็ไม่ใช่อวิชชาเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดพร้อมขาดสติณขณะจิตนั้นผัจจะที่ประกอบด้วยอวิชชาคือผัจจะนั้นขาดสติถ้าผัจษะนั้นประกอบด้วยสติ มันก็เป็นวิชาพูดเป็นขณะจิตขณะจิตที่เป็นปัจจุบันทรรมเพราะขณะจิตนั้นเพิ่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตอนนั้นไม่ใช่มันเกิดอยู่แล้วเช่นจักสุวิญญาณความรู้สึกเห็นเกิดตอนตากระทบรูปมันถึงจะเกิดจากสุวิญญาณเกิดการเห็น ถ้าตาไม่กระทบรูปจักสุวิญญาณก็ยังไม่มียังไม่เกิดมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องเห็นแจ้งเป็นปัจจุบันปัจจุบันทรรมคือนขณะจิตที่เกิดถึงจะเห็นการเกิดทันทีทันใดจะเข้าใจเกิดทันทีดับทันทีไม่ใช่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่ไม่เช่นนั้นมันละอัตตา หรือปล่อยวางความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่ได้วิชาคือความรู้ในเรื่องอริยสัจสีวิชาคือขณะจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสติปัญญาอยู่กับรู้คืออยู่กับวิชา ความจริงในใจความจริงในใจคือสภาวะจริงตามธรรมชาติที่ละเอียดลึกซึ้งที่เกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลาเป็นความจริงแท้ตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าปารมัาสเช่นความคิดอารมณ์ความจํามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆไม่ต้องสมมตุติไม่ต้องไปบัญญัติ สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนี่คือความจริงอย่างเช่นเสียงกระทบหูทำให้เกิดการได้ยินการได้ยินจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเสียงกระทบหูนี่คือปรมัตทเป็นกระบวนการธรรมชาติอาศัยซึ่งกันและกันต่อเกิดขึ้นไม่มีใครบัญญัติมันเกิดข้างมันอยู่อย่างนั้นสมมติสัจจะคือความจริงแท้ที่ใช้กันแบบโลกโลก ใช้สื่อกันทางโลกปรมาทสัจจะคือความจริงอยู่อย่างนั้นโดยใครไม่ต้องไปยุ่งกับมันเช่นการได้ยินเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเสียงกระทบหูการรับรู้ทางหูถึงเกิดขึ้นเมื่อเสียงหายไปการรับรู้ทางหูหรือการได้ยินก็หายไปนี่เป็นกระแสะเหตุปัจจัยว่าธรรมชาติอาศัยซึ่งกันและกันก่อเกิด นี่คือสัจธรรมนี่คือปรมัติธรรมกระแสะโลกใครจะว่าอย่างไรก็ได้คิดใครคิดมันว่ากันตามเรื่องใครเรื่องมันเรื่องเดียวกันคิดสิบคนก็สิบอย่างแต่ธรรมชาติไม่มีใครไปคิดแทนมันได้อย่างลมลมมันพัดมันก็พัดอยู่ของมันใครจะไปทำอะไรกับมันใครไปปรุงแต่งอะไรไม่ได้หรอก นี่คือธรรมชาตินี่คือปรมา์คือความจริงแท้ที่มีอยู่จริงๆคำว่าธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมคือธ ร, รรมชาติตามความเป็นจรงิงเรารู้สัจธรรมคือรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงรู้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรรู้ธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรชี้ไปที่ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่าคนมันเป็นอย่างไรแล้วทําไมมันถึงทุกข์และทําอย่างไรมันถึงจะออกจากทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือธรรมชาติที่เกี่ยวกับคนคุณลองจับประเด็นตรงนี้ดูเต๊ะตัวนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตเพราะไม่มีภาวะแห่งการรับรู้ไม่มีความรู้สึกรับรู้ใดๆสิ่งมีชีวิต คือสิ่งที่มีความรู้สึกรับรู้ได้และชี้ไปที่สิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าคนมีความรู้สึกรับรู้ด้านไหนบ้างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและความรู้สึกรับรู้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดเพราะเหตุปัจจัยเช่นเสียงกระทบหูทำให้เกิดการได้ยิน ทำให้เกิดการรับรู้ทางหูได้ชีวิตทางหูเกิดขึ้นแล้วแต่พอเสียงหายไปความรู้สึกรับรู้ก็ดับนี่คือชีวิตเกิดดับเพราะเหตุปัจจัยนี่คือธรรมชาตินี่คือสัจธรรมชีวิตเกิดทันทีดับทันทีเพราะเหตุปัจจัยถ้าเข้าใจตรงนี้ได้จะเข้าใจคาว่าอนัตตา ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับตามแต่เหตุปัจจัยหามีใครเป็นเจ้าของไม่มองให้ทะลุอย่างแจ่มแจ้งเลยจะเข้าใจสัจธรรมขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอนัตตาหรือที่ว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือสัจธรรมขั้นสูงสุดมองให้ทะลุกฎธรรมชาติ นี่คือสัจธรรมมองทะลุกฎธรรมชาติว่ามันอาศัยซึ่งกันและกันก่อเกิดขึ้นอย่างไรเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรและดับไปเพราะเหตุปัจจัยดับอย่างไรมองให้ออกเรียนรู้จากของจริงๆเลยจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจเช่นเสียงเห่าของสุนัขกระทบหูทําให้เกิดการได้ยิน นี่คือของจริงๆไม่ต้องไปคิดเลยไม่มีความคิดปนแต่พอเสียงเห่าของสุนัขหายไปความรู้สึกรับรู้ทางเสียงหายไปแล้วเรียนรู้จากของจริงๆเลยแต่ต้องตั้งหลักให้ติดก่อนนะชีวิตหมายถึงอะไรชีวิตคือสิ่งที่มีภาวะแห่งความรู้สึกรับรู้ภาวะแห่งความรู้สึกรับรู้นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีเหตุปัจจัยอย่างไรและดับไปเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรต้องมองตรงนี้ให้ทะลุแล้วคุณจะเข้าใจว่าอนัตตาคือเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ต้องคิดเห็นอยู่รู้อยู่ตามความเป็นจริงไม่มีความคิดเข้าไปปนคุณจะได้คําตอบชีวิตเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่จริงหรือไม่หรือชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปตามเหตุตัดใจคุณต้องมองตรงนี้ให้ทะลุด้วยปัญญาของคุณด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของคุณจากเห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นเสียงกระทบหูนี่คือความจริงไม่ต้องมีความคิดเพิ่มแม้แต่น้อย